โลกยุคนี้แคบทำไมจึงว่าแคบประเทศไหนอยู่ในโลกมีอะไรเกิดขึ้นส่งข่าวถึงกันหมดขนาดคนไปอยู่ในเหมืองแร่ตั้งห0สิบกว่าวันเอาขึ้นมาได้ทางลึกเกือบเป็นกิโลงันลงไปในใต้ดินเกือบเป็นกิโลเอาขึ้นมาได้ อันนี้ก็ดังกันทั่วโลกแล้วก็แลมมอลส์สุมอย่างแรงพัดฟิลิปปินส์พัดจีนไงก็ได้ยินกันทั่วโลกอีกแต่เมืองไทยของเราเนะ่เดี๋ยวนี้ก็คงจะดังไปทั่วโลกอีกเหมือนกันนั่นน่ะาน้ท่วมเมืองไทยน้าท่วมโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ของประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างมากอันนี้ก็คงจะดังไปอีกเหมือนกันเพราะโลกมันแคบอย่างที่ว่าเราก็ได้ยินข่าวเขาเขาก็ได้ยินข่าวเราประเทศของเราก็นั่นนหะดูดูแล้วอันนี้แล้วว่าภายัยภัยวิบัติก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามันเจอใครก็ ย, ยังค่อยรู้ว่ามันมันทุกข์ขนาดไหน แต่ทิงยังไงก็ยังดีกว่าไฟไหม้เพราะงั้นแต่ไฟไหม้มันเสียหายทั้งหลังทั้งทั้งหมดทุกอย่างน้ําท่วมเนี่ยพอมันลดลงไปแล้วก็ยังได้เก็บอยู่คงจะเสียหายมากพอสมควรแต่ไฟไหม้มันเสียหายทั้งหมดหลังยังเหลือแต่ที่ดินแต่นี้อาคารก็ยังอยู่ของใช้ในบ้านก็ยังอยู่พอน้ําท่วมแต่ว่าเจ้าของของบ้านนั่น ถึงจะไฟไหม้ก็ดีถึงจะน้ำท่วมก็ดีความทุกข์ใจใอย่าพูดใครเลยมาเจอเราเราจึงค่อยรู้หรอกว่าเป็นยังไงถ้าจะหนีจากบ้านกกลัวจะขโมยมาขึ้นบ้านมางัดบ้านมาเอาของในบ้านขนาดน้ำท่วมก็ห น, นีจากบ้านไม่ได้ถึงจะไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำจะกินพราะมันทุกความทุกยากลำบากแต่ถึงยังไงก็ยังเฝ้าบ้าน จิตใจในจุดนั้นน่ะถ้าเป็นอย่างเราเราจะมีความทุกข์ขนาดไหนนี่แหละถ้าเจอใครจะรู้นะอันนี้บอกอุตกะไพยไพยจะเกิดจากน้ำท่วมอักขีไพยภัยเกิดจากไฟไหม้วาตะไพรไเกิดจากพายุฝนถลม่มโจรภัยคือเกิดจากโจรผู้ร้าย สรุปแล้วก็คือภัยวิบัติอยู่ในโลกเนี่ยมากมายหลายๆอย่างนั่นะพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่น่าไว้ใจไม่น่านอนใจไม่น่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่โดยมากพวกเรามันบุญบารมีส่วนหนึ่งและก็ความไม่เชื่อในใจอีกส่วนหนึ่งมันก็เลยมาปิดบังจิตใจของพวกเรา ให้มองไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้ามองเห็นพระหันแตสาวกมองเห็นเพราะพวกเราปุตุชนถ้าจะว่ามืดบอดปุตตชนแปลว่าผู้มืดบอดแต่ว่าคำว่ามืดบอดคำนี้ไม่ใช่ตาของเราเมืดบอดไม่ใช่หูของของเราเมืดบอดแต่ใจของเรามองไม่เห็นใจของเราเมืดบอดในจุดที่พระพุทธเจ้าทีา่ท่านตรัสที่ท่าน ชี้เอาไว้ที่บอกเอาไว้แนะนําเอาไว้ใจของเรามืดบอดแต่พระพุทธเจ้าธรรมะโลกนี้ไม่น่าอยู่ควรจะแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะโลกนี้อย่างที่ได้พูดมาภัยวิบัติมีมากมายถ้าเจอใครเข้ามาเราจะรู้นะมรณภยัยอย่างเนี้ยมรณะภัยก็เหมือนกันแต่ถ้าว่า คนอื่นเขาตายเราก็กลรยอยู่ก็ไม่จะทกสะท้านจริงอย่างจริงต่างประเทศเขาตายที่เราไม่รู้จักมักคุ้นเขาเมื่อเขาตายไปเราก็เฉยๆเพราะเหตุไรเพราะว่ามันอยู่ไกลแต่พอมันใกล้อคนในประเทศตายรู้สึกสะเทือนขึ้นมาถ้ามันใกล้เราเข้ามาอีกหมู่บ้านของเราญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ของเรา ญาติโก้ขงติกาของเราสามีภรรยาของเราตัวของเรานะตัวนี้แหละไล่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยความทุกข์ในใจจะขนาดไหนเถรีพอมาเจอของเราเข้าเจอตัวของเรานะถ้าเจอคนอื่นก็ก็ยังพอไหวแต่เจอคนอื่นแต่เจอตัวของเรานะ่นะจะทุกข์มากที่สุดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้มองให้มอง เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในอย่าหลงในวัตฏะสงสารน่าให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้บุญกุศลน่นจะเป็นเครื่องเครื่อกูนุนบาปอกุศลนั่นมีแต่ชักดึงลงไปทางต่ากรรมชั่วถ้าทำไปแล้วจะเดือดร้อนให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้จะเป็นเครื่องประยุง์ส่งเสริมให้จิตใจของเราสูงส่ง ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกเมื่อได้ท่านได้บรรู้ธรรมท่านพระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้ธรรมท่านก็มองอดีตชาติของพระองค์เป็นมาอย่างไงเป็นมาเป็นไปอย่างไงคดโค้งอย่างไงคดเลี้ยวอย่างไงต่ำสูงต่ำอย่างไรทุกข์ยากอย่างไงสุขอย่างไงมีครบทุกอย่าง เมื่อท่านได้ตัดสู้ท่านมีญานทัศนะจากนั้นท่านก็สอนพวกเราเออจุดนั้นอย่าทํานะควรจะทําจุดนี้แต่พวกเราท่านทั้งหลายยังมีกิเลสยังมืดบอดยังในจิตใจพวกเราก็ไม่เชื่อเป็นส่วนมากแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ชัว่วดีคืออะไรควรทําให้ทานนะรักษาศีล น, นะภาวนานะ อันนี้เลยหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสอนทานก็คือการเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีการต้องมีน้ำใจต่อกันต้องมีการเสียสละต่อกันมนุษย์เพื่อนมนุษย์ชาติอย่างเนี้ยอย่างว่อุจตกรภัยอย่างนี้ผู้อยู่ใกล้หรือผู้มีอันจะกินก็ควรจะช่วยช่วยกันเพราะเวลาเช่นนี้นะต้องการความช่วยเหลืออย่างสุดๆใครมีอะไรก่อน ชื่มือเข้าไปช่วยช่วยกันพอที่จะช่วยเหลือได้ถ้าบอว่าพวกที่ช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่ได้จะส่งช่วยยังไงเอาใจไปช่วยว่างั้นเถอะแต่ใจไปช่วยนะครับมีกําลังใจแต่พอมีอะไรที่จะเรียกร้องมาเราก็เออเอาถ้ามีคนมาเนี่ยขอมานี่เราจะส่งยังไงที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเราก็พร้อมที่จะให้ส่งเสริมเของเหมือนกันแต่ถ้าเราไปส่งสุ่มสีุ่่มห้าอีก ที่ ผ, ผ่านมาเห็นกันล่ะอู้น่าสรดสังเวชใจอีกเหมือนกันไปแ ส, สวงหาความร่ารวยในความทุกข์ของคนอื่นตัวนี้มันน่ามันน่าตำหนิอย่างมากจะเป็นข้าราชการระดับไหนก็เถอะจะเป็นพ่อค้าประชาชนขนาดไหนก็เถอะไปเอาความสุขในความทุกข์ของคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นอย่างเนี้ย อย่างที่พวกเราเห็นแต่พวกเราส่งสิ่งของไปให้นู่นเอาไปซื้อเอาไปขายเอาไปให้ญาติพี่น้องของตนเองเอาของเลวๆไปให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากโอาขงอาหารเอาไปทางอื่นนู่นนะเอาไปเก็บไปซ่อนเอาไปเอาไว้นี่เถ้าคอยดูเถอะต้องมีแน่ๆ น, นี่แหละจุดนี้แหละจุดที่คนทั้งหลายที่จะส่งเสริมที่จะช่วยเหลือกัน เขาไปเจอจุดนี้ด่านนี้เข้าไปแล้วก็ต่างก็ขยัดกันเป็นแทบๆเพราะเหตุไรพ่ะคนชั่วความคิดชั่วการกระทำชั่วมันอยู่ในชุมชนของพวกเราเห็นความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นเป็นความสุขของตนเองช่วยโอกาสว่างั้นอันนี้แปลว่าพวกเราขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจ อันนี้เรทําทกรรมชั่วฮกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นมันจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังติดตามเมื่ออย่างไงเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยใครกินเงินอย่างไงใครกินของบริจาคมาอย่างไงนั่นแหละที่เขาซักไร้ิศไรซักไซสไร้เลียงหลุดตําแหน่งหลุดไปไม่รู้ว่ากี่คนตั้กี่คนแล้วในเมืองไทยในโลกนี้พูดอย่างนั้นอีกต่างหากแล้วก็จากนั่นกันเอง บาปกรรมตัวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในชาตินี้เท่านั้นเกิดพบหนาชาติหน้ากันนะของที่ตัวเองจะได้เขากินหมดผันกันแกล้งไปหมดตัวเองมีแต่โวยวายเท่านี้เพราะอะไรเพราะตัวเองทํากรรมไวยแล้วในอดีตเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นท่านมองเห็นในอดีตดชาติของพระองค์มาเป็นมาอย่างไรควรจะทําอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรเพระองค์จึงจึงได้ น, นํำทำ มาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้หนักแน่นในคุณงามความดีให้หนักแน่นในบุญกุศลให้หนักแน่นในการสั่งสมคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นความหายยิคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้พวกเราอย่าทําสิ่งนั้นนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า การขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกคนนะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเรานะพระสงฆ์ทุกองคนะเมื่อเราอยู่นะสถานสถานณ์ไหนควรจะทําให้ดีที่สุดในสถานะนั้นๆ น, น, นะแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อเห็นว่ามีโอกาสคือหลวงตาท่านก็ไปสบายในช่วงนี้เดี๋ยวก็ได้ดินเขาว่าเป็นนั่นเป็นนี่บางทีก็อาเจียนบา้า หลวงพ่อก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่เมื่อวานหนลวงตามไม่ได้ไปไหนหลายวันแล้วอีกอย่างหนึ่งกระน้ําท่วมทั้งเมืองโคราชอีกหลวงตาเขาไม่สบายหลพ่อก็เลยตั้งใจเข้าไปกราบท่านเมื่อวานทั้งที่ก่อนหน้านี้กขาไม่ได้ไม่ได้กราบท่านนานไม่ได้นานไม่ห่างกันคราวนี่ประมาณจากอาทิตย์กวา่าๆที่ข่าวแล้วนะวันเมื่อวานเนี่ยเขาไปเข้าไปกราบท่านอีกเข้าไปกราบกับทั้ง น, นู่น ญาติโยมทางสะเส่งสาวเขาถวายปัจจัยพ่อตาเขาป่วยปุ๊พ่อเขาป่วยก็เลยปัจจัยถวายหลวงพ่อมาหลวงพ่อนําไปถวายเอออมาหลวงพ่อก็เลยเข้าไปถวายหลวงตาเมื่อวานเลยถวายปัจจัยของญาติโยมส่วนหนึ่งของวัดเราคณะของวัดเราอีกในส่วนหนึ่งรวมแล้วถวายหลวงตาเมื่อวานเลย สามแสนนะสามแสนบาททุนนะคือช่วยโรงพยาบาลหนึ่งแสนแล้วก็ถวายองค์หลวงตาใช้ตามอัธยาศัยที่หลวงตาก็ได้ใช้ใน่ะภายในวัดของท่านวัดใหญ่ขนาดนั้นทั้งเป็นอยู่ทุกอย่างครับต้องใช้เงินเหมือนกันใช้เงินทั้งหมดพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนควรจะเข้าไปถวาย บูชาอามิตรบูชาในในองค์ท่านนะหลวงตาอายุมากแล้วใครจะปลูกจะฝังสิ่งไหนก็ออเอาทำบุญทำทานกับองค์หลวงตาเมื่อวานเนี่วัดของเรานะกลุ่มคณะศิษยานุศิษย์ของเราถวายหลวงตาี่สามแสนนะขอให้พวกเรารับรู้รับทราบร่วมกันข้าวก่อนกอนการอาทิตย์ก่อนนะพวกเราก็ถวายกลุ่มคณะตัดทา ย, ยาิโยมรวบรวมมาหลวงพ่อกันนะในวัดของเราด้วย สมทบเข้าไปอีกกระถายสามแสนหนึ่งวันการเมื่อคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นการทําบุญทุกครั้งไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อนะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะมีอะไรมีแต่บอกกล่าวแนะนําสังส่งสอนศรัทธาญาติโยมแต่ตัปัจจัยที่เขามาให้มากับเพื่อหมู่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ข่าวขอ ง, งอาหารข่านา้ําข่าวไฟ ข, ข่าสิ่งก่อสร้างหลวงพ่อรับแล้วกันนี่แหละทําบุญทําทานเป็น บางครั้งบางการบางทีก่อซื้อเครื่องมือแพทย์ด้วยโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลด้วยโรงเรียนด้วยอย่างนี้แหละสาธารณประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้นะ่ยหลวงพ่อก็ได้สั่งเครื่องมือแพทย์ยังไม่มาสั่งแล้วแต่ยังไม่มากะว่าสองเดือนเป็นอย่างเร็วอาจมากกว่านั้นซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ ทั้งหมดก็นนี้แหละเป็นสี่รายการเครื่องผ่าตัดหวัวใจแล้วก็เครื่องทางทางหน้าอกเวลาจะผ่าตัดแล้วแล้วก็เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ปอดปอดหวัวใจเทียมอีกนั่นแหละสรายการรวมแล้วก็เป็นห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะอันนี้ยังไม่ได้จ่ายแต่หลวงพ่อสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์ไปแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ญาติโยมรวบรวมกันสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเป็นปูนซีเมนว่างั้นเถะเป็นปูนซีเมนบอกกล่าวคณรับศรัทธาญาติโยมสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อชุมชนก็รวมรวมกันนะเนี่ก็ได้มาคิดว่าไม่หนักใจคิดว่าในเรื่องนี้ไม่หนักใจก็คิดว่าเป็นไปได้ทําไมจึงว่าไม่หนักใจเพราะกระถิ่นของเรายัางขวางหน้าอยู่ยงั้นเถะ ถึงไงมันต้องพอแน่ๆวะถทำมันไม่พอจริงๆกันนะวัดของเราต้องพันกว่าไร่เอาเข้าธนาคารเอาไปจำนองจำนำธนาคารถ้าใครเคยมาวัดแล้วก็โอ้ไปได้เนี่ยทําไม่ไถยคืนไม่ได้เลยหลวงพ่ออินเอาวัดเข้าธนาคารเนี่ยคงจะช่วยช่วยกันไถ่ถอนคืนหลวงพ่อว่าะเงินเพียงห้าล้านเนี่ยพวกเราจะหาไม่ได้เลยแต่คงจะลุมกันว่างั้น ว่าวัดจะหลุดเข้าไปในธนาคารเหมือนกันนะเนี่แหละแต่หลวงพ่อคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหลวงพ่อคิดดีแล้วละ่ะก่อนที่จะเซ็นชัญญาหรือว่าซื้อเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์อุดร น, นะไม่ใช่โรงจาบาลโรงพยาบาลใหญ่แล้เครื่องผ่าตัดหัวใจพวกเขาไม่มียังไม่มีเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วงันที่หลวงพ่ อ, อ, อให้หมอจะต้องได้ผ่าตัดหัวใจแก่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะ เปีว่าเอาเครื่องมือตัวนี้มาแล้วก็บปีว่าทํบาบพาธหัวใจได้เลยแล้วงั้นนะแต่บอลรูนทําไม่ได้นะบอลรูนหลวงพ่อถามบอลรูนเท่าไหร่ราคาทั้งห้ากสิบล้านน่ะเดี๋ยวนี้นะอย่เมืองโอราชที่วันน้ําท่วมนะครับวาเนี้เครื่องบอลรูนหัวใจเครื่องเนี่ยเครื่องเอ็กซาเลนที่มันท่วมเนี่ยโอโ้คิดเป็นเงินออกมาหลายหลายร้อยล้านเล ย, ยงั้นหลวงพ่อระยินเนี่ยโอ้หน้าน่าเสียดายน่าเสียใจจะทํายังไง กว่าจะได้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นน่ะมันเป็นเครื่องละเอียดอ่อนทางนั้นเที่ยงเครื่องมือแพทย์เนี่ยพอน้ําท่วมหรือจะทํายังไงได้เสียหายหมดเลยว่างั้นน่าเสียดายเครื่องมือแพทย์ทางเราเข้ามารู้เรื่องเครื่องมือแพทย์แล้ว เ, เราจริงจะรู้จักว่ามันแพงขนาดไหนว่างั้นแต่เครื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนนะ่ยไม่ใช่ธรรมดานะแพงมากๆเครื่องมือแต่ละชิ้นนะอันรับพรอนุโมทนาให้พร